ตอนนี้ที่กว้างเลยนั่งตรงไหนก็ได้เมื่อก่อนต้องมาเบียดกันในศาลาเดี๋ยวหลังใหม่เสร็จก็ยิ่งกว้างใหญ่เป็นเป็นระบบแบบเซลลูลาเซลลูลาก็คือไม่ต้องเอาอันเดียวใหญ่ เอาอันลอันเล็กๆหลายๆอันอามาใช้ประโยชน์อันเดียวกันถ้าแบบอันเดียวก็คือต้องมีศาลาหลังใหญ่หลังเดียวสมัยนี้เรามีระบบร้าสายาเครื่องขยายเสียงเราสามารถไปตั้งไว้ตามจุดต่างๆได้ เรามีศาลาเล็กๆสองสามแห่งก็ได้กได็ได้ฟังเสียงเท่าๆกันเหมือนกับอยู่ในศาลาหลังใหญ่หลังเดียวอันนี้ก็ทำไปตามสภาวะของสถานที่สถานที่บนเขานี่มันเป็นที่ไม่กว้างพร้อมเป็นเห็นแล้ว สูงสูงต่ำๆมันไม่ใช่เป็นที่ราบที่กว้างแล้วก็เป็นที่ของของป่าไม้ไม่ได้เป็นของวัดพระมออาอาศัยอยู่บนเขานี้เพื่อมาปรีกวิเวกเพื่อมาบำเพ็ญส ม, สมณะธรรมสมณะก็คือธรรมของ คูแสวงหาความสงบไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะหน้าที่ของพระไม่ได้อยู่ที่การก่อสร้างสิ่งทาวน์วลวัตถุต่างๆ หน้าที่ของพระหน้าที่ของนักบวชในพระพุทธศาสนามีนะหน้าที่สร้างส ม, มณะคือความเป็นผู้สงบขึ้นมาด้วยการปริกวิเวกอยู่ตามสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงที่คอยยั่วยวนกวนใจที่คอย ยุ่ยแย่ส่งเสริมให้ใจเกิดกิเลสเกิดทันหาเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่บนเขานี้จึงเป็นที่ที่เหมาะต่อการภาวนาต่อการบําเพ็ญสมนธรรมแต่จะไม่เหมาะกับการที่จะรับประชาชน เป็นจำนวนมากเพราะว่าแหล่งเป็นสถานที่ป่าเขาแล้วก็เป็นสถานที่บําเพ็ญก็รับได้พอประมาณเท่าที่เป็นอยู่นี้ <Yeah. S 1> ที่บนเขานี้ตั้งแต่มาอยู่ก็ไม่ได้สร้างทาวเวอรวัตถุอะไร มากเลยศาลาหลังนี้ก็สร้างมาตั้งแต่พศออ2526ก็มีการบูรณะซ่อมแซมกันครั้งแรกสร้างหลังคานี่ใช้เป็นมงด้วยยากต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นมงด้วยสามกษสีเนื่องจากยญ้านี้ ใช้ไปได้ประมาณสักสี่ห้าปีก็ผุเปื่อยจำเป็นต้องมีการลือออกแนละ้วมุงใหม่ก็ต้องทำอยู่ทุกสี่ห้าปีถ้าเปลี่ยนเป็นสังกะสีแล้วมันก็ใช้ได้นานนี่ก็ใช้มาตั้งแต่เปลี่ยนมาครั้งแรกแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยน การงานภายนอกนี้เป็นอันตรายเป็นอุปสรรคต่ อ, องานภายในงานภายนอกนี้ถ้าทำโดยไม่มีขอบไม่มีเขตก็จะทำไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดแล้วก็จะมาเอาเวลาที่จะมา ทำงานภายในนี้ไปทําให้ไม่มีเวลาที่จะมาทํางานภายในซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของนักบวชของผู้สแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ของผู้สแสวงหาความสุขที่ถาวรที่แท้จริงการงานภายนอก จึงทำเท่าที่จำเป็นถ้ามีความจำเป็นต้องทำก็ทำเช่นจำเป็นจะต้องมีที่อยู่อาศัยก็สร้างที่อยู่อาศัยขึ้นมาแบบเรียบง่ายแบบพอใช้กับจุดประสงค์คือมีที่หลบแดดหลบฝนท่านั้นก็พอ ไม่จำเป็นจะต้องสร้างแบบวิจิตพิสดารโมโหราณใหญ่โตสร้างพอที่จะใช้หลบแดดหลบฝนเป็นที่นั่งสมาธิเป็นที่พักผ่อนร่างกายได้ก็พอแล้วถ้าพยายามจะสร้างทาวราวัตถุที่สวยงามวิจิตพิสดาร ก็จะต้องใช้เวลามากใช้ทรัพยากรมากประโยชน์ที่ได้ก็ไม่ได้มากไปกว่าการสร้างที่วูสอิ์ใสแบบเรียบง่ายที่ไม่ต้องใช้เวลามากไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากทุกเวลาทุกขณะที่สร้างก็จะสร้างก็จะมีเสียงดัง กระทึกครืมจะลบกวนการบาเพ็ญสมณะธรรมดังนั้นเรื่องงานภายนอกจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งถ้าจะทำก็ต้องจำเป็นจริงๆและทำแบบเรียบง่ายที่สุดและให้เสร็จให้รวดเร็วที่สุด เพื่อจะได้มีเวลามาบาเพ็ญงานภายในงานภายนอกเป็นงานชั่วคราวแต่งานภายในนี้เป็นงานถาวรคือผลงานที่ได้รับเป็นผลที่ถาวรผลงานภายนอกเป็นผลงานชั่วคราวสร้างไปสักระยะหนึ่งไม่กี่ปีมันก็พังหมดไปหมดสภาพไป แต่งานภายในนี้ถ้าสร้างขึ้นมาแล้วมันไม่มีวันหมดถ้ารู้จักรักษาถ้าสร้างแล้วรู้จักรักษาสิ่งที่สร้างอยู่ภายในใจก็จะอยู่กับใจไปไม่มีวันสิ้นสุดใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งที่สร้างขึ้นไว้ภายในใจ จึงไม่มีวันสูญหมดไปไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่สร้างผ่านทางร่างกายเช่นท้าวลวัตถุต่างๆไม่ว่าจะสร้างให้วิจิตพิสดารขนาดไหนก็ตามเวลเวลำ่วลำเวลามันก็จะเป็นผู้ทำลายท้าวลวัตถุเหล่านั้นอย่างสถานที่สังเวชใน สังเวชนียสถานสี่ในประเทศเอินเดียที่พุทธศาสนิกชนไปจารึกไปกราบว่วบูชาตอนนี้ก็เหลือแต่สร้างปรากักพังแทบจะไม่เหมือนของเดิมที่มีอยู่นี่แหละคืองานผลงานภายนอกหลังจากที่เวลาผ่านไปแล้ว สองพห้ากว่าปีก็เหลือแต่ซากปลักหักพังแต่ผลงานภายในที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตสาคกทั้งหลายได้สร้างไว้ยังเหมือนเดิมเหมือนในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่พระไทยของพระพุทธเจ้าสมัยนั้น กับพระไตรของพระพุทธเจ้าในสมัยนี้ก็ยังเป็นปรามังสุขขังอยู่เหมือนเดิมยังเป็นปรามังสุญญงอยู่เหมือนเดิมเพราะธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจนี้เป็นอาการลิโกไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่ผู้ที่ออกบวช ผู้ที่บำเพ็ญปฏิบัติพึ่งสร้างกันเพราะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่อยู่อาศัยที่แท้จริงที่จะปกป้องรักษาจิตใจไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้เลยงานของนักบวช งานของผู้บําเพ็ญสัมมธรรมจึงเป็นงานภายในไม่ใช่เป็นงานภายนอกบางท่านนี้แทบจะไม่ทำงานภายนอกเลยเช่นสมัยพระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญสมัยพระอารยสงสาวกบบาเพ็ญตามรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า แทบจะไม่มีการก่อสร้างถาวบรวัตถุต่างๆเลยจะสร้างที่พักก็สร้างแบบเรียบง่ายเอาของที่มีอยู่ธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าใบไม้มามงุงมาบางังหลังคาแค่นี้ก็พอหลบแดดหลบฝนได้บางท่านก็ใช้ถ้ำเงื้อมผาบางท่านก็อยู่ตามโคนไม้ เพราะท่านไม่ต้องการเสียเวลากับเรื่องภายนอกนั่นเองและการจำเป็นบางครั้งก็จาเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่เพื่อจะได้กระตุ้นความเพี่ยนเพื่อจะได้เป็นการทดสอบพลังของธรรมที่ได้เจริญว่าเป็นธรรมแท้หรือเป็นธรรมเทียมเป็นธรรมปลอม เป็นเวลาที่เราอยู่ในสถานที่ที่เราเคยชินเราจะไม่รู้สึกกลัวถ้าเราจเจริญทำคืออันนี้จังเราพิจารณาว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราก็คิดว่าเรายอมรับความจริงอันนี้ได้แต่มันเป็นความจริงหรืออย่างอันนี้เราไม่รู้ ทันทีเราอาจจะต้องย้ายสถานที่ไปอยู่ในสถานที่ที่เราหวาดกลัวเพื่อเราจะได้ทดสอบดูว่าเรายังหวาดกลัวอยู่หรือเปล่าเพราะความหวาดกลัวนี้ก็คือความกลัวความตายนี่เองถ้าเรายอมรับความจริงว่าร่างกายนี้สักวันหนึ่งจะต้องตายไปอย่างแน่นอน ถ้าเราคิดว่าเราพร้อมที่จะให้มันตายแล้วเราก็ต้องไปหาสถานที่พิสูจน์ดูในสถานที่ที่คิดว่ามีภัยอันตรายต่อร่างกายเช่นสมัยก่อนท่านก็จะไปหาเสือหาสัตว์ต่างๆเป็นเครื่องพิสูจน์ใจว่าเมื่อได้ไปอยู่ใกล้กับสัตว์ที่เป็นอันตรายแล้วใจยังมีความ หวาดกลัวอยู่หรือไม่นี่คือเรื่องราวของพระปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมจัดแสวงหาที่สงบสงัดวิเวกที่ลำบากลำบนอดอยากขัดแคลนเพราะเป็นที่ท้าทายต่อการสร้างบารมีเช่นขันติบารมี วิริยะบาลมีปัญญาบารมีถ้าอยู่ในที่สะดวกสบายอยู่ที่ไม่มีความทุกข์ยากลาบากก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องต่อสู้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ขันติความอดทนอยู่อย่างสุขอย่างสบาย แต่เวลาที่ต้องเข้าอยู่ในภาวะขับขันเช่นในเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่อดอยากขาดแคลนเวลาที่จะต้องเผชิญความตายเวลานั้นใจจะมีทำคุ้มครองได้หรือไม่ถ้าไม่เคยสร้างธรรมขึ้นมาถึงเวลาธรรมที่จะคุ้มครองใจ จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างไร <Yeah. S 1> แต่ถ้าได้ไปอยู่ในที่สถานที่คับขันสถานที่อัตคัดขัดสนยากลําบากมีภัยรอบด้าน <Yeah. S 1> ก็จะจําเป็นที่จะต้องสร้างธรรมขึ้นมาเพื่อรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในความเป็นปกติให้ได้ พอมีธรรักษาใจให้อยู่อย่างสงบอยู่อย่างปกติได้แล้วก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขับขันเหตุการณ์อัตคัดขัดสนทุกข์ยากลำบากในขณะที่จะต้องเผชิญภัยอันตรายต่างๆใจจะมีธรรมาคุ้มครองปกป้องรักษา ไม่ให้ใจหวาดกลัวไม่ให้ใจทุกข์ไปกับเหตุการณ์ต่างๆสามารถอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆนั้นได้อย่างปกติอย่างสงบนี่แหละคือเรื่องของผู้ปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนถึงพระสาวกทั้งหลาย ท่านบำเพ็ญแบบนี้กันทั้งนั้นท่านไม่ได้บำเพ็ญอยู่ในสถานที่เต็มไปด้วยความสุขความสบายเช่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงบำเพ็ญอยู่ในพระราชวังพระสาวกทั้งหลายก็ไม่ได้บำเพ็ญอยู่ตามบ้านตามเรือนที่มีสิ่งต่างๆคอยอำนวยความสะดวกความสบาย อำนวยความสุขมีสิ่งต่างๆคอยปกป้องภัยอันตรายต่างๆยึงทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องผลิตทำขึ้นมาเพื่อปกป้องใจพอเวลาสิ่งต่างๆที่มีอยู่นั้นเสื่อมไปหมดไปใจก็จะไม่มีอะไรมาคุ้มครองปกป้องรักษา เวลานัานใจก็จะจทุกข์ทรมานท่านเหล่านั้นเห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้อย่างแท้จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงนั่นเองมีการเจริญมีการตั้งอยู่และมีการเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาถ้าอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านั้น เวลาที่สิ่งเหล่านั้นเสื่อมหรือดับไปเวลานั้นก็จะไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าไม่อาศัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งแต่อาศัยธรรมที่เกิดจากการปฏิบัตินี้เป็นที่พึ่งก็จะมีธรรมนี้คอยปกป้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ นี่คือความจริงที่นักบำเพ็ญ น, นักปฏิบัติทั้งหลายยอมรับกันจึงต้องบากบัน่นุ่งเข้าสู่ป่าสู่เขาสู่สถานที่อัตคัดขัดสนยากลำบากอย่างหลวงปู่มั่นเท่าที่ได้อ่านประวัติของท่านท่านก็วุ่งขึ้นไปบำเพ็ญในป่า ทางภาคเหนือทางบริเวณจังหวัดเชียงใหม่อยู่กับชาวป่าชาวเขาการบินธ บ, บาตของท่านก็อัตคัดกัดสนอาหารนี้ก็ไม่ใช่อาหารของคนในบ้านในเมืองแตะของคนป่าคนเขาเขารับประทานกันที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยของคนบ้านคนเมือง ก็เป็นกระตอบเล็กๆหรือไม่มีกระตอบอาจจะมีเพียงแค่มีหลังคาไว้กันแดดกันฝนอาศัยงกรดเป็นที่ป้องกันมแมลงสัตว์ต่างๆแต่การบำเพ็ญของท่านนี้สามารถบำเพ็ญได้อย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรมา เป็นอุปสรรคขวางกันมีเวลาที่จะบำเพ็ญตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นนั่นแหละหลวงปู่ท่านจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานในสถานที่อย่างนั้นก่อนหน้านั้นหลวงปู่ท่านก็อยู่ตามวัดตามวาออกทุดโดงบ้าง เป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่ได้ออกอย่างต่อเนื่องออกไปช่วงระยะสั้นๆแล้วก็ต้องกลับมาอยู่วัดเพื่อมาทำหน้าที่ของพระที่มีวัดต้องคอยดูแลรักษามีศรัทธาญาติโยมพี่น้องมาคอยเป็นที่พึ่งคอยมาขอที่พึ่ง ก็ต้องมีการอบรมสั่งสอนมีการดูแลถาวรและวัตถุต่างๆซ่อมแซมบรินะหรือสร้างใหม่เวลาบำเพ็ญจึงไม่ค่อยมีตลอดระยะเวลาก่อนที่จะได้ไปปีกวิเวกอยู่ที่เชียงใหม่อย่าง ตามลมพังอย่างแท้จริงนี้อายุของท่านก็ป่าเข้าไปทั้งหกสิบปีแล้วช่วงหกสิบถึงเจ็ดสิบนี้ท่านลาเพนอยู่ที่ในป่าทางภาคเหนือและหลังจากนั้นอายุเจ็ดสิบถึงแปดสิบท่านก็ได้รับการอาราธนาจากาลูกสิษิ์ของท่าน ให้มาโปรดเพราะว่าอยากจะได้รับฟังธรรมอันเลิศอันประเสริฐที่ท่านได้พบได้บรรลุถึงท่านก็เลยได้ออกจากป่ามาแล้วก็ลงมาโปรดญาติยย่ลูกศิษย์ลูกหาแถวบริเวณจังหวัดสกลนครอุดรธานี จนมรณาภาพไปในวัยแปดสิบปีระหว่างหกสิบถึงเจ็ดสิบนี่ทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาตามลำพังมีพระเนนไปขออยู่ศึกษาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวถ้าในพรรษาก็จะอนุญาตให้อยู่ได้พอออกพรรษาก็ต่างคนก็ต่างไปวิ่วกันไม่ก็อยู่ติดไม่อยู่ก็ติดกัน เปลี่ยนสถานที่ไปถ้าอยู่ที่เดิมเดี๋ยวคนอื่นจะตามมามาเกาะมาอยู่กันพออยู่กันมากๆแล้วมันก็จะทวงกันก็จะต้องมาคอยพวักพวนมากังวลมาห่วงกันก็จะทำให้การดํนเพลนนี้เป็นไปไม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผู้บำเพ็ญที่แท้จริงจึงมักจะเปรกวิเวกเสมอไม่เกาะติดอยู่กับใครนานจนเกินไปอาจจะต้องพบกันบ้างเป็นบางครั้งบางเวลาแต่ถ้าไม่มีเหตุแล้วก็ไม่พบกับใครเพราะการมาบวชนี้ไม่ใช่เป็นงานสังคมไม่ใช่มาหามิตรม า, ามาสร้างเครือข่ายมิตรภาพ งานนี้เป็นการตัดภบตัดชาติงานตัดทุกสิ่งทุกอย่างตัดความผูกพันกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกบุคคลตั้งแต่บิดามารดาลงมาสามีภรรยาบุตรทีดาที่จำเป็นจะต้องตัดก็เพราะว่าไม่ตัดวันนี้วันหน้าก็ต้องถูกตัดอยู่ดีเพราะว่าหลักของ ธรรมชาติของความเป็นจริงก็คือจะต้องพัดพากจากกันในที่สุดการพัดพากแบบที่ธรรมชาติบังคับนี้มันเป็นการพัดพากอย่างทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าพัดพากด้วยการเต็มใจด้วยการพร้อมที่จะพัดพาก้จะพัดพา ก, กันอย่างสุขอย่างสบายใจจึงจาเป็นต้องตัด แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเมตตาต่อกันหรือไม่มีความปราถนาดีหรือความสงสารอะไรต่อต่อกันเพียงแต่ไม่มีอุปทานครับยึดติดอยู่กับบุคคลต่างๆก็รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องแยกกันไปคนละทิศคนละทาง ในขณะที่บำเพ็ญก็จำเป็นที่จะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้อยู่ตามลำพังเพื่อจะได้มีเวลาบำเพ็ญอย่างเต็มที่แต่หลังจากที่เสร็จภารกิจของการบำเพ็ญแล้วก็สามารถกลับมาโปรดมาสงเคราะห์บิดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดา ยาเสนทมิสหายได้และเป็นการสงเคราะห์ที่ได้ผลประโยชน์อย่างมากทีเดียวดังที่พระพุทธเจ้าได้สรงสงเคราะห์มาหลังจากที่พระองค์ได้สรงต่ัสรุ้แล้วก็ได้ ส, งส่งเสดจกับปโปรดวันดายาเสนทมิสหายพระราภปิดาพระมารดาเลี้ยงพระมาเหสี พระราชโอรสที่พระราชวังทรงแสดงธรรมที่เป็นที่ประทับใจต่อผู้ฟังเป็นอย่างมากทำให้เกิดมีศรัทธาตามเสด็จออกบวชกันหลายรูปหลายองค์ด้วยกันนี่คือเรื่องของการตัดตัดเพราะว่าใจยังผูกพันอยู่ต้องตัดให้มันขาด ไม่ให้มีความผูกพันไม่ให้มีความห่วงใยเพราะห่วงไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงต้องพัดพากจากกันอยู่ดีจะห่วงหรือไม่ห่วงจะห่วงหรือไม่ห่วงก็ต้องพัดพากจากกันอยู่ดีแต่ถ้าไม่ห่วงไม่ห่วงเวลาพัดพากจากกันจะไม่เศร้าโศกเสียใจ เวลาที่ยังหวงยังห่วงอยู่เวลาต้องพักพักอยากกลันเวลานั้นก็จะเศร้าโศกเสียใจอาจจะถึงกับอยากจะตายตามไปด้วยเพราะเหมือนกับว่าไม่มีที่พึ่งแล้วเหมือนกับไม่มีความสุขแล้วที่จะอยู่ต่อไปในโลกนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าไปผูกความสุขไว้กับบุคคลต่าง ที่จะต้องพัดพลากจากกันไปปลูกความสุขของตนไว้กับวัตถุสิ่งของต่างๆพอวัตถุสิ่งของเหล่านั้นพัดพลาดจากไปก็เหมือนกับว่าไม่มีที่ให้ความสุขกับตนแล้วก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะจะอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานใจ แต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ทรมานใจเพราะเวลาฆ่าตัวตายนี้ไป็ฆ่าร่างกายที่ไม่รู้อิหนอิเนร่างกายไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรเสียหายผู้ที่ทำผิดทำเสียหายก็คือใจที่ไปมีความผูกพันที่ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ไปอาศัยสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆ ให้ความสุขกับตนนั่นเองต้องฆ่าตัวนี้ต่างหากฆ่าตัวหลงหลงที่ไปผูกพันไปยึดติดกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆการฆ่าก็คือการตัดความผูกพันความมีความต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาเป็นที่เพิ่งมาให้ความสุขกับตน คือการตัดของนักปฏิบัติตัดแล้วก็ไปอยู่หาที่พึ่งของตนเองในป่าในเขาไปหาความสุขภายในใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นความสุขที่ถาวรพอได้พบกับความสุขอันนี้แล้วทีนี้ก็สามารถกลับไปพบกับบุคคลต่างๆ กับสิ่งต่างๆได้อย่างไม่มีความผูกพันไม่ได้พึ่งพาอาศัยบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆแล้วแต่กลับไปเพื่อไปโปรดไปช่วยให้เขาได้ตัดตัวเขาออกจากสิ่งต่างๆเพื่อเขาจะได้พบกับความสุขที่มีอยู่ในตัวของเขาเองความสุขที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริง เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวานหมดสิ้นไปนี่เกิดหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาภารกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญมาในเบื้องต้นหกปีแรกของการบาเพ็ญของการออกบวชนี้ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครเลยไม่มีการสร้างถาวรวัตถุต่างๆไม่มีการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวัดสร้างว่า มีแต่การบำเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นเพื่อความสงบของใจเพียงอย่างเดียวพอได้พบกับผลที่ทรงปรารถนาแล้วก็ทรงทำหน้าที่โปรดช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปด้วยการอบรมสั่งสอนที่เป็นพุทธกิจที่ทรงบำเพ็ญอยู่ทุกวันทุกเวลาตลอดระยะเวลา 4ี่สิบห้าปีด้วยกันหลังจากที่ทรงตัดสรตยแล้วในวัยสามสิบห้าปีพระองค์ก็เริ่มสั่งสอนธรรมะตั้งแต่วัยสามสิบห้าจนถึงวัยแปดสิบวันหนึ่งนี้ทรงสั่งสอนสามเวลาด้วยกันตอนบ่ายก็สั่งสอนญาติโยม ตอนค่ำก็สั่งสอนภิกษุสมัมมณีตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาและตอนเช้าก่อนที่จะทรงสเสด็จออกบินทบาทก็ทรงเริงยานดูว่ามีใครบ้างที่จิตพร้อมที่จะรับธรรมอันประเสริฐนี้ได้ที่เป็นบุคคลที่สมควรไปโปรดในวันนั้น อ, องค์ก็จะส่งมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นไปสั่งสอนบุคคลนั้นให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ต, ตลอดระยะเวลา45ปีนี้ไม่ปรากฏว่ามีข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงสร้างวัดเลยแม้แต่วัดเดียวไม่ได้สร้างเจดีย์แม้แต่องค์เดียว ไม่ได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารเลยแต่ทรงสร้างพระอริยบุคคลสร้างพระโสดาบันพะระสกิตาคามีพระอนาคามีพระอราหันต์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพียงระยะเวลาแปดเจ็ดเดือนแรกเท่านั้นที่ทรงประกาศพระศาสนาคือวันเพ็ญเดือนแปล ไปถึงวันเพ็ญเดือนสาระยะเวลาเจ็ดเดือนด้วยกันก็ปรากฏเป็นหลักฐานที่จะลึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วว่ามีพระอ า, ารามตถาหันสาร1250รูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสาที่วันที่เราเรียกว่าวันมาฆบูชานี้เป็นเวลาเจ็ดเดือนหลังจากที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรก คือวันเพ็ญเดือนแปดวันอาสาหะบูชาได้ทรงประกาศพระธรรมจกกักรประวัตินสูตรประกาศหลักของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจส์่มรรคปดพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาการเป็นจำนวนมาก อย่างน้อยภายในเจ็ดเดือนแรกนี้ก็หนึ่งสองรห้าิรูปแล้วสมัยนี้มีพระองค์ใดบ้างที่จะสามารถสร้างพระอาหารหันต์ขึ้นมาภายในเจ็ดเดือนให้มีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาหนึ่งพสองหรูปบ้างมีแต่สร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างกุฏิกันเต็มไปหมด แต่บทเจดีกุติเหล่านี้ไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เป็นวัตถุเท่านั้นเองอย่างนี้เรียกว่าหลงทางหรือเปล่าชาวพุทธเราเคยพิจารณากันบ้างหรือเปล่าว่าเรากำลังสร้างอะไรกันอยู่เรากำลังสร้างพระหรือว่าเรากำลังสร้างถ า, าวน์ละวัตถุสร้างสิ่งของต่างๆ สร้างไปทำไมสร้างแล้วทำให้เราได้เป็นพระขึ้นมาหรือเปล่าเราอย่าประมาทตัวเราเองอย่าไปคิดว่าเราเป็นขาลาวา่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุมรกผลนิพพานได้ในสมัยพระพุทธกาลนี้มีขาลาว่าที่ไม่ใช่เป็นนักบวชนี้บรรลุมรกผลนิพพานกันเป็นจำนวนมาก เพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้บ้าสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างอะไรกันต่า ง, างๆเหมือนสมัยนี้กันเขาบ้าทำบุญให้ทานเขาบ้ารักษาศีลเขาบ้าภาวนากันจึงปรากฏเป็นพระอริยะสงสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากอยู่ที่เหตุนี้เองอยู่ที่การกระทำ ถ้ามัแต่สร้างโบสสร้างเจดีสร้างหาบลละวัตถุต่างๆก็จะไม่มีวันที่จะได้สร้างพระอริยะบุคคลขึ้นมาถ้าอยากจะสร้างพระอริยะบุคคลก็ต้องภาวนาต้องรักษาศีลด้วยทานก็ทำไปแต่ทานทำด้วยเหตุด้วยผลทำกับสิ่งที่ควรจะทำเช่นใจบาท กุติอะไรต่างๆก็ไม่ต้องสร้างแบบโมโหลานวิจิตพิสดารสร้างวัดป่าสร้างสถานที่สงบสงบวิเวกเพื่อการบำเพ็ญธรรมกันอย่าไปสร้างกายสร้างวัดจนกายเป็นศูนย์การค้าไปสมัยนี้มีตลาดนัดในวัดกันมีมาโหรสพในวัดกัน มีอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาเต็มไปอยู่ในวัดเต็มไปในวัดหมดเรื่องของศาสนาคือความสงบนี้หายไปหมดสถานที่จะบำเพ็ญ น, นี้ไม่เดียวนี้ไม่ได้อยู่ที่วัดเสียแล้ววัดไม่ใช่เป็นที่บาเพ็ญที่จะให้ความสงบบางคนเดียวนี้บวชแล้วอยู่บ้าน ับได้ภาวนาได้บาเพ็ญดีกว่าไปอยู่วัดถ้าอยู่บ้านคนเดียวก็สามารถที่จะบำเพ็ญได้ไปอยู่วัดก็ไปเจอกับกิจกรรมต่างๆมากมายหลายรูปแบบมีทั้งงานศพงานบวชงานมโหสพงานไรต่างๆงานฉลองงานสมโพธงานบุรณะซ่อมแซมงานอะไรร้อยแปดพันประกาน เต็ไปหมดลองไปดูตารางของวัดต่างๆดูสิว่าเขามีอะไรบ้างกิจก ร, รรมต่างๆงานภาวานานี้ไม่เห็นมีเลยนี่แสดงว่าสมัยนี้ชาวพุทธเราได้ออกนอกลูก่นอกทางของพระบรมศาสดาแล้ว ไม่ได้เจริญลอยตามาพระบรมศาสดากันไม่ได้ปลิกวิเวกกันไม่ได้บําเพ็ญกันมัวแต่ทําบุญทําทานเพียงอย่างเดียวมัวแต่สร้างสิ่งต่างๆแล้วผลเป็นอย่างไรใจได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันบ้างหรืออย่างโดยอย่างวุ่นวายเหมือนกับเหมือนเดิมอยู่ เพราะการทำบุญทำทานนี้ไม่มีกําลังพอที่จะทำให้ใจสงบได้ต้องรักษาศีลแปดต้องรักษาศีลของนักบวชแล้วก็ต้องปลีกวิเวกต้องอยู่ตามสถานที่สงบสงบัดต้องเจริญสติอยู่ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องสำรวมอินทรีย์ตามหูจมูกลิ้นกาย ไม่ให้ส่งไปหาลูกเสียงกลิ่นรสปวดตาพะที่จะทำให้เกิดความพุ่งสร้างเกิดเกิดตันหาเกิดกิเลสขึ้นมาต้องคอยควบคุมสิ่งที่ไม่ควรดูก็ต้องไม่ดูสิ่งที่ไม่ควรฟังก็ไม่ต้องฟังสิ่งที่ไม่ต้องลิ้มรส ด, ดมกลิ่นก็ไม่ต้องทำถ้าไม่มีมาตรการเหล่านี้แล้ว การบําเพ็ญที่จะทําให้ใจสงบทําให้ใจได้พบกับความสุขที่แท้จริงนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ตะเกียกตะกายไม่บังคับตัวเราให้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งต่างๆที่ดีที่ประเสริฐคือความสงบภายในใจนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เลยดังนั้นเราต้อง ย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าเรากำลังเดินตามรอยพระพุทธบาทตามรอยทางของพระอรหันตาสาบวกกันหรือเปล่าหรือเรากำลังเดินลอยตามกิเลสตัหากำลังหาลาบยศสลัดเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้ไกายทำบุญทำทานก็ทำแบบไม่ ไม่เอื้อต่อต่อพระศาสนากลับเป็นการทําลายพระศาสนาเพราะไม่ได้ไปส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมสิ่งที่ควรส่งเสริมก็คือการเผยแผ่ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าควรจะผลิตสื่อหนังสือหรืออะไรต่างๆคําสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระอาหารหันต์ทั้งหลายแล้วก็สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบสงบับเพื่อที่เป็นที่บําเพ็ญของผู้ที่ต้องการจะบําเพ็ญอย่างนี้ต่างหากที่เราควรจะเสริมกันอย่าไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดอะไรให้มันมากจนเกินไป สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมกันขึ้นมาดีกว่าให้มีที่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้ไปปฏิบัติกันเพราะนี่คือแก่นของพระาศาสนาเป็นหัวใจของพระาศาสนาก็คือธรรมะปฏิบัตินี่เองถ้าไม่มีธรรมะปฏิบัติแล้วปฏิเวทก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่เป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอน แต่ก่อนที่จะมีธรรมะปฏิบัติได้ก็ต้องมีการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนก็ต้องมีการเผยแผ่ธรรมะที่ที่สามารถนำพาผู้ปฏิบัติให้ไปปฏิบัติและบุดพ้นและบรรลุผลได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ถึงแม้ว่าจะมีคุณมีประโยชน์มากมาย แต่ก็เป็นธรรมะที่หลากหลายด้วยกันซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาพระไตรปิฎกให้หมดให้รู้หมดขอให้เราศึกษาธรรมะที่เป็นแก่นที่จะพาให้เราหลุดพ้นก็พอแล้วอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าประทมคำสอนของพระองนคน์ีห ถึงแม้จะมีมากมายกายกองแต่มีเนื้อหาสาระอยู่อันเดียวท่านั้นคือการดับทุกข์วิธีการดับทุกข์ท่า น, นั้นเองฉนั้นไม่ว่าเราจะฟังธรรมะหรืออ่านธรรมะในรูปแบบไหนก็ตามเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าแล้วเราเอามาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้อย่างไรเราต้องการเพียงเท่านั้น ต้องการวิธีที่จะทำให้เราเอาธรรมะนี้มาดับความทุกข์ภายในใจของเราให้ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญก็ให้เราทำในลักษณะเพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสนับสนุนการปฏิบัติธรรมเช่นการ สางสถานที่ปฏิบัติธรรมอันนี้แหละที่จะทําให้ได้มีการบรรลุมรรคผลนิพพานกันถ้าเราโมจะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์มันก็จะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับนกพิราบให้กับสุนัขของวัดนั่นแหละไปดูตามโบสถ์ตามเจดีย์มีนกพิราบมีวัด มีสุนัขอยู่กันเต็มไปหมดได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการสร้างถาวอและวัตถุเหล่านี้การสร้างเจดีย์ก็ ด, กดีสร้างองค์หนึ่งก็พอแล้วสําหรับประเทศไทยเราก็มีองค์ใหญ่เบื้อเริ่มอยู่ที่นครปฐมแล้วใคอยากจะกราบพระบระมสารีริกธาตุก็ไปนครปฐมก็กราบได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องสร้างมันทุกตําบลทุ ก, กวัดทุ ก, กว่าใ น, ในประเทศ สร้างไปก็เท่านั้นเองการสร้างเจดีย์นี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นอนุสรณ์ให้เราลำเลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเองให้เราลำเลิศถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้นําเอาไปปฏิบัติเพื่อเราจะได้บรรลุผลเท่านั้นเองมีอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองถ้าเรากราบพระเจดีย์แล้วทําให้เราเกิดศรัทธา สละสมบัติออกบวชได้อ น, นันตนะ์คือเจตนาของการสร้างเจดีย์มีเพื่อให้เราให้เกิดศรัทธาให้เกิดฉันทะวิริยะที่จะตัดความผูกพันอยู่กับลาบยศสรรเสริญผูกพันกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อให้เราเกิดศรัทธาที่อยากจะออกบำเพ็ญออกบวชออกปฏิบัติกัน อันที่แหละคือหน้าที่ขององค์พระเจดีย์มีไว้เพียงเท่านั้นเององค์พระเจดีย์เองนั้นไม่มีความวิเศษวิเสอะไรไม่สามารถทําให้ผู้ไปการาบผู้สร้างบรรลุมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นคือสุ ป, ปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโ น, ยายโนสามีจิต ป, ปฏิปันโน ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคาลาวาสเป็นนักบวชเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบได้ด้วยกันไม่มีอะไรมาเป็นข้อห้ามแต่อย่างใดข้อห้ามก็คือความหลงที่ไปคิดว่าตนเองไม่อยู่ในฐานะที่ควรปที่จะปฏิบัติดได้เท่านั้นเอง จึงขอฝากเรื่องของการมาสู่สถานที่สงบสงัดที่วิเวกนี้เพื่อมาศึกษาและนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษานี้เป็นกติเตือนใจสอนใจให้เดินอยู่ในร่องในรอยของพระพุทธบาทเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความดุจพ้นจากความทุกข์ต่างๆ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 ทุกท่านเพื่อที่พูดนี้ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้สร้างเจดีย์นะอยากจะสร้างก็สร้างไปแต่ผลที่ได้รับมันก็รู้กันเองว่าผลมันได้อะไรบ้างจากการสร้างเจดีย์ ถ้าเราอยากจะได้ผลจากการสร้างเจดีแล้วก็ไปสร้างเจดีถ้าเราอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติเราก็ไปปฏิบัติมันต่างกันอยากถ้าทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวทำข้าวต้มก็ได้กินข้าวต้มเข้ามาเป็นอะไรหนู เป็นยาเล้สนรนะจำาะ้าได้หนังสือซีดีแล้วยังอจะเสิร์ชได้ทางกร้าของของของจริงไม่เอาจะไปหาของ <c oughs> มาถึงที่แล้วมีของไปได้เลยก็ผู้หญิงทีดีกได้ เจอของแล้วกับแม่เราจะไปหาเอง <c oughs> เจอพระพุทธเจ้าแล้วผมแม่เราจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเองดีกว่าข <c oughs> อ, อบาเพ็นบรารมีต่อไปไม่เชื่อไม่ฟังพระพุทธเจ้ากลัวเดี๋ยวจะเป็นผ้าอะหันแล้วไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นผ้าละหันเนี่ยคนที่ติดพุทธภูมิเนี่ยก็จะถูกหลอก แทนที่จะปฏิบัติให้บรรลุภายในชาตินี้ก็ต้องไปบำเพ็ญบรารมีอีกไม่รู้กี่ครับกี่กันกว่าจะได้บรรุก็่าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างหลวงปู่มั่นนี่ก็เคยได้ฟังว่าท่านก็เคยติดพุทธภูมิอยู่พุทธภูมิก็ต้องมีความเมตตาความห่วงใ ย, ยคนนั้นคนนี้ะ ไม่กล้าไปปีกวิเวกเหมือนกับว่าเป็นการตัดช่องน้อยทิ้งคนอื่นไว้ไปอุ่พ้นคนเดียวก็ต้องอยู่ปฏิบัติร่วมกันสอนกันไปเดินกันไปร่วมกันแต่ไปด้วยการเป็นกลุ่มเป็นหมู่นี่มันก็ไปไม่รอดเหมือนคนว่ายนะ้ไม่เป็นมาเกาะกันมันก็จมด้วยกันหมดถ้าต่างคนต่างแยกหัดไปไว่ายกันเองมันก็จะรอดพอมาว่ายมาเกาะติดกันมันก็ ไหว้ด้วยต่างคนก็ต่างว่า้ไม่เป็นต่างคนก็ต่างเกาะกันไปแต่ถ้าต่างคนตั้งต้องต่างไหว้กันเองถ้าไม่ไหว้กระจมมันก็ต้องไหว้จนได้มันก็ไหว้ได้แต่ถ้าเกาะกันก็อาศัยคนอื่นว่ายเราไม่ไหว้เอาลัดเอาเปลี่ยนพอไม่ไหว้คนไหว้คนเดียวมันก็ตายคนจิตเป็นคนเป็นศิษย์มาเกาะคนไหว้คนเดียวคนไหว้มันก็ ไหวไม่ไหวมันก็จมไปด้วยกันต้องแยกกันไปหัดไหวกันเองไปปิดวิเวกต่างคนต่างการเป็นพระพุองอาหารกับพระพุทธเจ้านี้ไม่ต่างกันนะหลุดพ้นเหมือนกันถ้าตีตั๋วก็ถ้าเครื่องบินชั้นหนึ่งก็ได้อยู่ชั้นหนึ่งเหมือนกันนั่งชั้นหนึ่งเหมือนกันีแต่ซื้อตั๋วจากคนละบริษัทเท่านั้นเองซื้อจากบริษัทของการบินกับซื้อบริษัททัวร์ ไปถึงเวลาเคลื่อนเครื่องาก็ให้นั่งชั้นหนึ่งเหมือนกันเป็นพาาระอรหันต์ก็ถึงนิพพานเหมือนกันเป็นพระพุทธเจ้าก็ถึงนิพพานเหมือนกันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยต่างตรงที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้านี้ต้องหาทางเองเป็นพระอรหันต์นี่ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้านําทางเพียงแต่เดินตามเท่านั้นง่ายกว่าหลายร้อยหลายล้านเท่าด้วยกัน พระพุทธเจ้านี่ยากลําบากต้องหาทางเองแต่พวกเรานี่ไม่ต้องหาทางพระพุทธเจ้านําทางอยู่แล้วเพียงแต่เดินตามเท่านั้นเองง่ายกว่าเป็นล้านเท่าถ้าไม่เดินตามก็ถือว่าฉลาดหรือโ ง, ง, งกก่เขไปคิดด๋อยเองมีทางให้เดินตามมีคนนําทางไม่เดินตามเขากลับมาต้องไปหาทางมาเองอยากจะหาเองอย่างเนี้ยมาได้หนังสือแล้วก็ไม่เอาจะไปหาเองในอินเทอร์เน็ต เหมือนกันเลยแบบเดียวกันอยากจะแสดงความสามารถว่าเราเก่งเราฉลาด ừ ừ ừ ừ ừ ใช่เหมือนก็ดีเหมือนกันความเก่นความฉลาดขึ้นตนเองนี่ก็ดีเหมือนกันแต่เรื่องการบรรลุธรรมนี้มันพึ่งตนเองโดยที่ไม่มีคนสอนนี่เป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่พึ่งไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่น ừ ừ นอกยกเว้นว่าเราเป็น พระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าท่านก็คงจะไม่ไปบำเพ็ญให้เหนื่อยยากแต่ท่านท่านต้องบำเพ็ญให้เหนื่อยยากก็เพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนท่านตอนที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกทางเมื่อไม่มีใครสอนใครบอกก็ต้องหาทางเองเท่านั้นเองแต่ถ้ามีคน สอนมีคนบอกทางอยู่แล้วก็วไปหาทางเองให้เหนื่อยทำไม mm hmm. ถ้าคนเดินทางมาที่นี่ไม่รู้จักทางถามคนที่เขารู้เขาบอกทีสองทีก็ามาถึงแล้ว mm hmm. ถ้าไม่บอกขับไปเดิวนไปเวียนมาอยู่นั่นนะ mm hmm. ่ะวันนี้มีคำถามเลยเชิญครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บ o o กนะครับรับแฟงเพจพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโตนะครับจากคุณหลงโลกหลงมายานะครับอ่า ข, ข้อที่หนึ่งเรื่องอสุภะนะครับการใช้อสุภะที่ผมรู้สึกที่ปฏิบัติมาช่วยถอนออกจากความยึดความอยากในรูปความเป็นตัวตนผมรู้สึกว่าความเป็นกลางกพนัจจิตนั้นแต่เพื่อให้ได้ผล ทำ บ, บ่อยๆอย่างเดียวหรือต้องปรับการพิจารณาหรือมีอุบายที่ละเอียดหรือไม่ครับต้องทํามันจนมันชํานาญจนมันเป็นนิสัยมองทีไรก็จะเห็นนสุภาพทุกครั้งไปไม่มีการที่จะเห็นว่าเป็นสุภาพอีกต่อไปถ้ายังเห็นการเป็นสุภาพเมื่อไหร่ก็จะเกิดการมารวมขึ้นมาทันทีต้องหัดดูไปเรื่อยๆดูจนกระทัง่งมันติดเป็นนิสัย มองทีไรก็จะเห็นเป็นอสุภะไปตลอดเวลาถ้ามีเห็นว่าเป็นอสุภะแล้วการอารมณ์จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เวลาเราไปเห็นกองขยะแล้วเกิดการอารมณ์ขึ้นมาไหมเราเห็นกองอุจจาระอย่างนี้เราจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาหรือเปล่าไม่เกิดหรอกแต่ถ้าเราไปมองภาพสวยๆเงา ง, งามที่เขาถ่ายในนิตยสารต่างๆนะเป็นยังไงดูแล้วเป็นงไงวูบขึ้นมาเลย นั่นอยู่ที่เราดูมันเองอ่ะเราดูอะไรถ้าเราดูสิ่งที่มันเป็นปฏิกูลเป็นนัสผะมันก็จะเกิดความขยะขยงมันจะไม่มีการมาลุ่มถ้าเราไปมองในสิ่งที่มันสวยมันงามมันก็จะเกิดการมาลุ่มขึ้นมาดังนั้นขณะที่เรามองสิ่งที่สวยในใจเราก็ต้องมีสิ่งที่ไม่สวยขึ้นมาคอยคอยสกัดไว้คือเราไม่ห้ามเรามองได้ทุกอย่าง แต่เราต้องมียามีเครื่องมืออาวุธคอยสกัดตัวการมาลมถ้าดูสิ่งที่สวยแต่ไม่เกิดการมาลมก็ดูไปไม่เป็นปัญหาอะไรแต่พอเกิดการมาลมขึ้นมาเราต้องมีเครื่องมือมีอาวุธที่จะฆ่าการมารมนั่นทันทีอาวุธที่จะฆ่าการมารมก็คือการเห็นอนสุภะในลักษณะต่างๆนี่เองการจะเห็นอนสุภะได้ก็ต้องพยายาม ดูอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนมันจำได้เหมือนกับเราท่องสูตรคูณหรือท่องบทสวดมนต์อย่างนี้ถ้าเราไม่ท่องอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ลืมได้แต่ถ้าเราท่องอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกคืนทุกเวลาจนกระทั่งมันไม่ลืมเวลาเกิดกามะลมขึ้นมาเราก็ดึงมันขึ้นมาปั๊บกามะลมมันก็ดับไปถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องท่องก็ได้ เรารู้ว่าเรามีเครื่องมืออยู่ในใจเราแล้วแต่ถ้ามันจางหายไปเราก็ต้องอสร้างมันขึ้นมาใหม่พิจารณามันขึ้นมาใหม่ทบทวนมันขึ้นมาใหม่แล้วเราทบทวนมันได้อยู่เรื่อยๆเวลาว่างๆเราก็ทบทวนไปพิจารณาสุภาพใบบ้างาเดี๋ยวเดี๋ยวขอปัญหาทั้งนี้ให้หมดกันครับ ข้อที่ท2นะครับแล้วถ้าสติพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งโดยมีกำลังสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยเรายัางจำเป็นต้องเอาอสุภะมาขั้นแทนที่จะรู้เฉยๆอีกหรือไม่ครับหรือต้องใช้อสุภะไปถึงเมื่อไหร่ครับเพื่อพัฒนาให้ เ, <ล>เกิดปัญญาตัวจริงในการตัดขาดราคะคือสตินี่ไม่สามารถตัดขาดราคะได้อย่างทาว ส, สติเพียงแต่สกด สกัดมันให้มันหยุดท่านั้นเองแต่กัแต่อสุภาษนี่แหละจะเป็นตัวที่จะกําจัดการอารมณ์ได้อย่างถาวรถ้าตาบใดา ย, ยังมีการอารมณ์อยู่ตามนั้นก็ยังต้องเจริญอสุภาษอยู่เหมือนกับคนไข้ถ้ายังมีไข่อยู่ก็ยังต้องกินยาลดไข่อยู่ไปจนกว่าไข่จะหมดท่นั้นถึงจะเลิกกินยาลดไข่ ครับต่อไปเป็นคำถามจากคุณวีรพรนะครับคือเมื่อคืนนี้ขณะนั่งสมาธิได้เปิดคลิปเสียงสนทนาปฏิสันฐานธรรมระหว่างหลวงปู่ล่ากับหลวงปู่บุญยญริศการที่เปิดเสียงเทศนาธรรมของครูอาจารย์ระหว่างนั่งสมาธิก็เพื่อหวังให้ช่วยนำสมาธิพอนั่งได้สักพัก ก็รู้อาการปวดขาปวดหลังก่อนนั่งสมาธิจะสวดมนต์โดยเฉพาะบทชัยยะน้อยหรือณนะโมเมพอวางใจยอมรับอาการปวดขาก็จะมีอาการหู้ลักษณะเหมือนนั่งรถลงเนินเขาแต่หูได้ยินเสียงเทศนาธรรมของหลวงปู่ล่าจากคิปคือตลอดช่วงที่นั่งสมาธิจะมีอาการหู้ นี้สามครั้งและอาการวูบนี้จะเกิดขึ้นช่วงลอยต่อตรงกลางระหว่างรู้ปวดขาปวดหลังแล้วว่างใจยอมรับก็แสดงว่าใจสงบเวลามันวูบมันก็สงบเพียงแต่ว่ามันสงบได้หลายระดับด้วยกันบางทีสงบจากระดับร้อยหนึ่งลงมาระดับแปดสิบสมมุตินี้ มันยังไม่สงบถึงระดับศูนย์เท่านั้นเอง ถ, ถ้าสงบถึงระดับศูนย์นี่มันทุกอย่างมันจะหายไปหมดอันนี้ก็เพียงแต่ว่ามันมันลดลดระดับันลงมาเหมือนกับขับรถเวลาเราเปลี่ยนเกียร์เวลาเปลี่ยนเกียร์นี่รถก็จะวิ่งเร็วขึ้นเงียบเงียบเงียบลงถ้าไม่เปลี่ยนเกียร์วิ่งไปเสียงมันก็จะดัง การนั่งสมาธิไปเนี่ยสักพักมันก็จะวุบลงไปหน่อยเบาลงมาหน่อยสบายขึ้นไปหน่อยเดีย๋ยวนั่งไปอี ก, กระยะหนึ่งก็วุบลงไปอีกหน่อยอันนี้อันนี้เรียกว่าลงแบบเป็นขั้นๆลงทีละขั้นเหมือนเปลี่ยนเกียร์รถแต่อีกแบบหนึ่งก็คือลงแบบสุดๆเลยลงแบบตกลิฟตกหลุมตกบอ่อวุบลงไปถึงถึงจุดต่ําสุดเลยอันนี้ก็มีได้สองลักษณะด้วยกัน คำถามข้อต่อไปจากคุณหนุงเองนะครับดิฉันเดินจงกรมแบบไม่มีแบบแผนเอาตามแบบตัวเองมีสติรู้เราเป็นโครงกระดูกเดินขวาซ้ายสลับกำหนดตามการเดินแบบปกติช้ากว่าปกติแต่ไม่ช้ามากเหมือนหนอเหมือนหนอพอตอนกลับก็กำหนดยืนเห็นรูปโครงกระดูกยืน หายใจสี่โครงยกมือออกลงค่อยเดินต่อทำเช่นนี้ได้ไหมรู้สึกชัดเจนตัวเองมีสติตามการเคลื่อนไหวคือการเดินจงกรมนี้สามารถเดินได้ในหลายลักษณะด้วยกันเดินช้าก็ได้เดินเร็วก็ได้อันนี้เป็นรูปแบบตัวสำคัญก็คือตัวใจว่ากำลังทำอะไรอยู่การเดิน ทรงกลมนี้ก็ทําได้สองอย่างคือเจริญสติหรือเจริญปัญญาถ้าเจริญสติก็คอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับการเดินก็ได้จะกําหนดว่าร่างกายนี้เป็นโครงกระดูกเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็จะอยู่ในลักษณะของปัญญาคือพิจารณาเห็นร่างกายว่าเป็นโครงกระดูก ต่อต่อตะ้าเกิว่าคือึ่งแต่ว่ากำหนดจิตให้ให้เห็นว่าร่างกายเป็นใหนโครงกระดูกก็คือมันจะินตนาการใช่ไหอตอนตอนก็ต้องจินตนาการไปก่อนแต่ความจริงมันก็เป็นอยู่แล้วลองเคาะหัวดูแต่ลองจับแขนจับขาดูว่ามันอยู่ข้างนะมันคือเราต้องึกกขึ้นมาให้มันเห็นใช่ เห็นแจ้งว่าเวลาจะเพ่งจะที่จุดใดจุดหนึ่าเช่นที่ลดความเหนื่อยนี่คแล้วก็ผิดเพ่งไปผิดจินตนาการแตว่าผิดเองไม่ใช่เหรจินตนาการบางกระทั่งมันกลายเป็นความความจริงขึ้นมาในใจคือสามารถมองเห็นได้ทันทีก็เหมือนแบบตนี้นะคะที่ของของสายธรรมการที่นินงแก้วน่คือจินตนาการแ้ใแต่จินตนาการนงแก้วนี่มันจะไม่ได้ปัญญามัน มันจะมันจะได้ความสงบแต่ถ้าจินตนาการเป็นโครงกระดูกนี่มันจะได้ทั้งสมาธิด้วยได้ทั้งปัญญาด้วยอ่ามันจะทำให้เราไม่หลงกับร่างกายของคนอื่นเวลาเห็นร่างกายที่สวยงามแล้วก็บอกมันก็แค่หนังหุ้มกระดูกหุ้มหุ้มกระดูกนี่เองเราไปหลงไหลกับมันเองอบางกายก็คือให้เราหัดค่าตัวฆ่าฆ่าร่างกายนี่มัน ก็ตัดคอตอัดแขนตัดขาหรือแยกเอาอาการต่างจับเอามากองมันไว้ต่างๆ ก, ก็ต้องนึกแต่เสีย่ะทุกอย่างที่เราทำนี่ก็นึกทั้งนั้นแนะ่ะมาที่นี่ก็นึกใช่ไไปกินก๋วยเตี๋ยก็ต้องนึกก่อนไปนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องนึกก่อนมันก็นึ ก, ก, นนก s. <S ทั้งนั้นแ่ะแต่เนึก์คไปในทางที่ผิดให้มันนึกไปในทางที่ถูก นึกทั้งนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรไม่นึกหรอกเพราะทุกอย่างมันมาจากตัวนึกทั้งนั้นแหละสังขารความคิดปรุงแต่งอแต้งแต่มันปรุงแต่งไปในทางสมุทัยมันปรุงแต่งไปในทางการมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาตอนนี้เราต้องการให้มันนึกในทางที่ทําให้เกิดไม่เกิดการมรตันหาภาวะตันหาวิภวตันหาที่พระอาจารย์บอกว่าเออถ้าเป็นใจนี่จะไม่ตายใช่ไหมค ก็เราไปฆ่ามันหรือเปล่าเวลาที่เราจเจริญเวลาที่เราปฏิบัติธรรมที่เราไปฆ่าใจหรือเปล่าเราไม่ได้ฆ่าใจเราฆ่ากิเลสที่มันอยู่ในใจเหมือนหมอเวลารักษาคนไข้หมอฆ่าคนไข้หรือเปล่าหมอฆ่าเชื้อโรคที่มันอยู่ในร่างกายพอร่างกายหมดแล้วพอเชื้อโรคหมดร่างกายก็ยังอยู่เหมือนเดิมเข้าใจไห ม, มกิเลสตัณหามันอยู่ในใจ รปฏิบัติธรรมนี้เพื่อฆ่ากิเลสตัณหาเราไม่ได้ไปฆ่าใจแล้วใจมันจะตายได้ยงไงถึงแม้จะฆ่ามันก็ไม่ตายเพราะมันไม่มีมันไม่มีรูปไม่มีร่างมันเหมือนเนี่ยมันเหมือนความว่างอย่างเงี้ยคุณจะไปทุบให้มันหายไปได้ปะ<ม>ที่ปฏิบัตินี้ไม่ได้ไปฆ่าใจฆ่ากิเลสที่อยู่ในใจทราบแล้วมาถามทาไม อ่ะก็มันจะหายไปยังไงก็ไม่ได้ไปทําอะไรมันมันจะหายไปได้อย่างไรคุณไปเอาความคิดนี้มาจากที่ไหนเอาเนื้อก็ถามมาเนี่ยถามมาคุณไปคิดอย่างนี้ได้อย่างไรว่าว่าใจมันหายไปไหนคุณไปคิดอย่างนั้นได้อย่างไรไปฟังมาจากที่ไหน ถ้าของมันมีอยู่เราไม่ได้ไปทําอะไรมันเราไม่ไปแตะต้องมันแล้วมันจะหายไปได้อย่างไรยังกุฏิยั้งสาราหลังนี้มันอยู่อย่างเี้ยเราไม่ได้ไปรื้อไปถอนมันมันจะหายไปได้อย่างไรเรามากวาดถูสาราอย่างเดียวเงี้ยมันจะหายไปได้อย่างไรเรามาทําความสะอาดส า, า, สาลาเรามาทําความสะอาดใจใจเรามีเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสตัณหาแล้วท่านั้นเองว่าใจมันจะหายไปไหนที่มาหายมาหายก็มาคิดถึงคําว่าปรามังสุญญงนี่เองเข้าใจไหมปะ เพราะว่าศูนย์ก็เลยที่ว่าใจศูนย์ที่วันพรนี้ผานแล้วศูนย์ก็แสดงว่าใจศูนย์มันไม่ศูนย์สิ่งที่ศูนย์ก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจใจสะอาดบริสุทธิ์ศูนย์จากความสกรปรกต่างๆศูนย์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนี่คือคําว่าศูนย์มันจะหายไปตรงไหนคุณไปหาหมอหมอรักษาคุณเสร็จแล้วร่างกายคุณหายหรือเปล่า เราอยากร่างกายมันตายก็ช่วยไม่ได้แต่ใจมันไม่ตายเหมือนร่างกายก็มีความคิดแปลกๆดีเหมอเื <laughs> อนก <laughs> ันนะบางทีไปอ่านทำกั้นสูงโดยที่เราไม่มีปัญญารองรับเนี่ยมันก็มันก็จะทำให้เราหลงได้ ส่วนใหญ่ที่ชอบไปเรียนอภิธรรมกันเนี่ยแ ต, แต่แต่พื้นฐานตัวเองยังยังไม่มีปัญญาในระดับนั้นศึกษาไปแล้วก็จินตนาการปรุงแต่งไปนึกไปนึกวาดภาพไปต่างๆนาน า, นานบางคนถึงกับวาดพระนิพพานให้ดูได้เลยเป็นเหมือนเป็นเหมือนแผนที่เลยรอบนอกเป็นโสดาบันรอบที่สองเป็นสกิดาคามีรอบที่สามเข้าไป เป็นแบบเป็นวงแหวนเข้าไปเลยอันนี้นเป็นจินตนาการล้วนๆเวลาปฏิบัติมันไม่เห็นรอบของวง น, นี้เกิดขึ้นมาในใจหรอกมันจะเห็นใจใจเบาขึ้นสุขขึ้นมากขึ้นความทุกข์น้อยลงความหลงน้อยลงความงโง่น้อยลงแต <c oughs> <c oughs> ใ, ใจไม่หายหรอกหายแล้วพระพุทธเจ้าจะเอาใจม า, ามาประกาศประธรรมคำสอนได้ยังไง พระอาจารย์นิพานนังแต่วันเพ็ญเดือนหกอายุสามสิบห้าตอนนั้นจใจเป็นปรามังศูนยอย่างแล้วแล้วเอาอะไรมาสั่งสอนอีกต้องสี่สิบห้าปีเอาร่างกายที่ไม่มีใจเลยร่างกายที่ไม่มีใจก็คือซากศพเยลยจะมาสั่งสอนใครได้นะให้เกิดสัมมาทิฏฐินะ มีปัญหาไหมไม่มีหมดแล้วเลยยังไม่ยังไม่ออกมาเลยเนี่ยคำตอบข้อที่แปดเนี่ยจะออกแล้วครับเด <ừ> ี๋ยวสองวันนี้เขามีใครอยากจะถามอะไรไมแล้วยั ง, ย, งยังไม่ยังไม่หายสงสัยก็ถามอยู่ได้เราไม่ได้บังคับฮะไม่ปฏิบัติเลยวาโอเคคือไม่สนใจเลย ศูนย์แมันมันมันมันไ่สามารถที่จะให้ทําจะจำกัดความได้หือจที่จะสำรวจมันมันศูนย์แต่มันไม่ศูนย์อย่างที่เราคิดมันมีมันไม่ได้มีมันมีอย่างที่เราไม่มันก็ไม่ได้มีอย่างที่เราคิดว่ามีเข้าใจนะที่เราจำกัดที่ตัวเลขเลขศูนย์มีแต่ค่าของศูนย์มันไม่มีใช่ไหมแต่ตัวเลขมีอยู่ ฉันไปดูบัญชีมันเหลือแต่เลอแตเลขศูนในบัญชีแต่ไม่มีเงินไปไปศึกษาปฏิบัติกับใครมาบ้างนะเรียกว่าไม่ใช่เลคือขาะน้นเอยทก็มีเเก็อเนไดลยใช้แค่เนวมุ่ม่นี้จะชอบ คือสมาธินี่มีวิธีสี่สิบวิธีด้วยกันกรรมฐานสี่สิบการเจริญสมาธินี่มีหลากหลายวิธีแล้วแต่จลิตของแต่ละคนอันนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ปัญญานี่มันต้องไปทางเดียวกันมดมันต้องเข้าสู่ไตรักเข้าสู่อริยาาสัจสี่หดถ้าไม่เห็นใตรักไม่เห็นอริยสัจสีนี้่บรรลุไม่ได้ แต่สมาที่นี่ยุบหนอก็ได้เพ่งลูกแก้วก็ได้พุทโธก็ได้ ม, มันมีหลายหลายวิธีเพ่งกเกษนต่าง ๆ, ๆก็ได้วิจน า, าสุภะก็ได้แผ่เมตตาก็ได้เจริญพรมวิหารสี่ลอยไปศึกษากรรมฐานสี่สิบดูนกรรมฐานคืออารมณ์ที่ใช้ในการทำใจให้สงบมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันอนุสติก็มีอยู่สิบประการ เช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอานาปณะสติเทวานุสติมรณ า, านุสติ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการนาึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะเบียเบ่ยงเบนไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองผูกใจไว้ดึงใจไว้ก <c oughs> ารทําำสมาธิก็เพื่อหยุดหยุดความคิดปูแตก ถ, ถ้าไม่มีงานให้ใจทํามันก็จะนั่งคิดเลื่อยเปื่ย ก็ต้องหางานให้มันทำให้มันท่องพุโทโธไปให้มันสวดมนต์ไปให้มันดูลูกแก้วไปให้มันดูยุบหนอพองหนอไปหรืออะไรก็ตามที่ที่ชอบที่ถูกกับจริตก็ใช้ไปทำไปนั่นเองเป้าหมายก็คือให้มันเป็นอุเบกขาเป็นสักสักแต่ว่ารู้เอกตารมว่างตาไปรู้ไปเห็นเทวดาเห็นกายทิพย์รูปทิพย์ไปทเที่ยวสวรรค์ ไปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมัสมานะมาสมาธิแล้วเป็นวิจาสมาธิถ้าไปตรงนั้นแล้วต้องถอนกลับมาดึงกลับมาอย่าตามไปต้องเข้าสู่ความว่างความสงบเพียงอย่างเดียวเพราะจะเป็นฐานของจิตเป็นที่สร้างพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวอะไรนี่ทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาไม่ได้ทําให้กิเลสหยุดทํางาน เวลานั่งทีไรก็อยากจะไปเที่ยวทุกทีอยากจะไปท่องที่นั่นท่องที่นี่อยากจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เราจะรู้ขอให้รู้เรื่องเดียวให้รู้เรื่องตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตารู้เรื่องอสุภะเท่านั้นถ้านั่งสมาธิแล้วเกิดเห็นสิ่งอันนี้เห็นไปเลยเห็นร่างกายเป็นซากศพกลายเป็นกลายเป็นซากศพถูกเขาจับไปเผาไฟจนกระทั่งมันกลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกไป ไอ้อย่างเงี้ยเห็นอย่างนี้ได้เป็นประโยชน์เป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาคือเห็นเห็นที่ว่าเห็นอย่างนี้คือว่าไม่ใช่เฉพาะเห็นข้างในความหลักการคืได้เห็นภายนอกเลยไม่ได้ก็ต้องเห็นตลอดเวลาที่เห็นนั่นเป็นเพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเป็นการจุดประกายพอออกมาแล้วก็ต้องเห็นตลอดเวลาต้องนึกอยู่เรื่อยๆนึกถึงเขานึกถึงเรานึกถึงคนที่เรารักคนที่เราไม่รักไม่ต้องไปนึกให้มันเสียเวลาหรอก นึกถึงคนที่เราลักหรือคนที่เราเกลียดก็ได้นึกถึงคนที่เราเกลียดเราจะได้หายเกลียดเดี๋ยวมันก็กลายเป็นขี้เท่าไปแล้ต้องไม่ต้องไปทำอะไรมันให้เหนื่อยยากเปล่าเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนึกถึงคนรักก็จะได้เตรยียมตัวเตรยียมใจว่าเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจากเขาไปแล้วเพื่อจะได้ดับความทุกข์เท่านั้นเอง การเห็นในสมาธินี้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่พอออกมาแล้วก็ไม่ไม่นึกต่อไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่อลืมเรื่องเป็นเรื่องเรื่องความตายไปอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะรให้เห็นมันแล้วจะได้ไม่ลืมแล้วเอามาคิดอยู่เรื่อยๆเห็นหน้าใครเห็นเห็นรูปร่างของใครกันนึกว่าต่อไปก็ต้องเป็นสร้างสมต่อไปก็ต้องกายเป็นคิดเท่าเป็นเศษกระดูกไปให้นึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นใครก็เห็นอย่างนี้ต่อไปจะได้ไม่หลงเนี่ย ทุกคราที้เราหลงเราเห็นว่าเขาเป็นคนเป็นลูกเป็นหน้าเขาจะต้องอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพราะเขาไม่เป็นปั๊บก็ก็ทุกข์ใจเสียใจเนี่ยปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจความเสียใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเกิดคือความตาย ะจะให้พอนะถ้าไม่มีใก่จะถามอะไรนะ <c oughs> ยะทาวารวะหาปุราปริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตทินางเปตานางอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะทา มณิโชติระโสยถาสภิฏโยวิวาจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตผวะตวันตระโยสุขีธีขายโกผวะอพิวาทานาศิลิะนิจังอุทธาปจายโนจตารโอธรมาวทานติอายุวนอสุขัง ลอาครับมีคำถามตัวเองครับอาจารย์อย่างบางช่วงครับอาจารย์บางช่วงอ่ะถ้าเราไม่มีเรื่องอะไรเข้ามามากๆเลยสติของเราก็จะอยู่ในระดับปกติจะไม่ไปสนใจเรื่องอื่นจะไม่อะไรทั้งสิ้นอย่างนี้ครับแต่ยกตัวอย่างวันนี้ขับรถมาื อ, มมอนช่วงเนี้ยมันมีอะไรเข้ามาคิดเยอะ พอขับรถมาเนี่ยปกติอะถ้าเกิดรถคันนี้มันปาดหน้าเราเนี่ยเราจะนิ่งเรื่องเขา<ม>แต่วันนี้มันมีอารมณ์บางตัวเนี่ย<ม>ที่เฮ้ยมาปาดหน้าเราทําไ ม, มอารมณ์นั่นนะครับแต่ว่า<ม>เราไปรู้เลยวอ๋ออารมณ์โ ม, มโหไอ้คันเนี้เกิดขึ้นแล้ว<ม>แล้วพอรู้ว่าเกิดขึ้นแล้ว ม, มันก็ดับอัดลมมัดเองอื<ม>อย่างนี้คือปล่อยให้มันเกิดไปใช่ไหมครับอาจารย์เรายังไม่มีสติปัญญาเร็วพอที่จะสะกัดอารมณ์ได้ ถ้าเรามีสติปัญญานี่พอมันจะวับขึ้นมานี่เราหยุดมันได้แนละ้วแต่เรายังไม่ไปถึงจุดนั้นเราไม่ได้เข้าอยู่ที่ปากประตูมันเราอยู่ห่างไกลมันต้องออกมาจากประตูเราถึงจะเห็นตัวมันแต่ก็ยังดีที่เรายังมีสติพอที่จะ หยุดมันได้อ๋อปกติบางทีมันก็อยู่ที่ป่าประตูครับพ่อจานแต่ว่า อ, อย่างบางช่วงเนี่ ย, ย, อ, ยอย่างช่วงเนี้ยเยอะๆเนี่ยแล้วพออาจจะมีความเพียรผสมเล็กน้อยพอเกิดปุ๊บเราไปปล่อยให้มันเกิดแต่เรามาตามรู้ทีหลังเราไม่ได้รู้ที่ต้นเรามารู้ทีหลังใช่พราะตอนนั้นเราไม่ได้เฝ้าอยู่ที่ต้นไง<ช>เรามาวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวต่าง ๆ, ๆเราถึงต้องตัดมันไงเรื่องราวต่างๆใช้ใจล้างตัดมัน อะไรจะเกิดก็เกิดทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ช่างหัวมันใช่มันบางวันมันมีอารมณ์มันมีเรื่องมาสัมผัสมาทำให้เราเต้องคิดต้องอะไรมันก็เลยทำให้เราเผลอสติเพราะว่าถ้าวันไหนสมาธิสติดีเนี่ย เราจะไปอยู่ที่ต้นเลยเออแต่ว่าไหนที่มันหลุดหน่อยมันจะไปตามที่ปลายใช่ใชออแบบนานๆก็จะมีที่หลุดไปเลยไม่ตามทั้งต้นทั้งปลายเลยก็เลยตะบะแตก <c oughs> อะ <c oughs> อาวาวาลเลยไม่ขนาดนาั้นนะแต่ว่าเราจะรู้เลยแต่ว่าพอผ่านไปแล้วเราจะรู้เลยแต่เราก็เหมือนกับว่าก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้ไม่สนใจออแต่ว่าจะเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่จะรู้ตั้งแต่ต้นแล้วพอเริ่มมี อะไรเครียดๆเขอามาจะเป็ร <The> ู้ไปอยากรู้ปลายแต่พอไอ้นี่หน่อยก็หลุดเลยครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยก็ดึงกลับมาก็เป็นปกติใช่ไหมครับอาจารย์ก็ทุกอย่างมันก็กลับเป็นปกติเหมือนน้ําอ่ะมันมีขึ้นพอสักระยะมันสงบมันก็กลับมานิ่งเหมือนเดิมปัญหาคือเราจะรักษาให้มันนิ่งไปเรื่อยๆไหมมันก็เพื่อมได้หรือเปล่า การที่จะให้มันนิ่งไปเรื่อยๆต้องมีสติปัญญาคนไหนจะมองให้มันเป็นตรักอ่าแต่เป็นตายรักมันก็จะนิ่งอย่างปกติเรื่องของเขาใครจะทําดีทําชั่วก็เรื่องของเขานี่นะต้มไฟเรื่องของเขาเขาจะทําชั่วก็ตกมาลบก็เรื่องของเขาเราจะเป็นคนแต่พอมันไม่เป็นตายรักปั๊บมันก็วุ่นขึ้นมาทันทีใช่ถ้ายังเป็นตัวเราของเราอยู่มันก็วุ่นขึ้นมาทันทีใครถามไหมครับปัญหา ยิ่งถามเยอะยิ่งดีครับบางทีพระอาจารย์เทศเนี่ยถ้ามีคนถามเนี่ยจะได้เรื่องใหม่ๆมาแต่ถ้าไม่ไม่มีคนถามก็จะอา่าวันที่ต้องมาเมออ๋อันเป็ปัญหาเยอะไปครับมีคนเขาขอร้องว่าเวลาเราพูดอะไรถ้ามันหนักเกินไปก็ช่วยช่วยตัดตัดออกบ้าง <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่ามันมันมันหนักหรือไม่หนักเราก็พูดตามความจริงเมันเกิดขึ้นกับได้กับทุกคนใช่ไหมกับตัวเรามันก็เกิดขึ้นได้ถ้ามันมีมีทำ ม, มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยมีอะไรในใจมันก็ต้องเกิดได้ถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันก็เกิดได้ใช่หมหรือมีปัญหาอะไรมันก็ก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนะ ถ้าคนฟังทรนม้า ด, ด้วยความเป็นธรรมแล้วจะไม่เป็นปัญหาเลยแต่ถ้าฟังด้วยคติว่าเป็นอาจารย์ของเราเป็นคนที่เราเคารพ บ, บูชาฟังแล้วมันก็จะกระเทือนใจแต่ถ้าฟังว่าเป็นหลักธรรมเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเรื่องที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมามันก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไร การเป็นอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์อยู่อยากจะกราบไหว้บูชาตอนนี้ก็ยังกราบไหว้ได้อยู่ไม่เห็นมีเป็นปัญหาไม่มีใครห้าม <Yeah. S 1> คือจะว่าพระสงค์ของค์เจ้าแต่ต้องไม่ได้ก็ไม่จริง แ, แม้แต่พระองค์เจ้าพระองค์ก็ทรงเปิดโอกาสให้พระสองฆ์เอตำหนิติเตียนได้เช่นวันออกพรรษานี่เขาจะมีวันปวานาคำว่าปวานาก็คือเปิดโอกาสให้พระที่อยู่ในวัดด้วยกันนี้มีสิทธิ์มีโอกาสที่เห็นว่า การประพฤติของพระรูปหนึ่งรูปใดไม่เหมาะไม่ควรอย่างไร mm. ก็พูดออกมาได้เลย mm. พูดกันต่อหน้าต่อตานี่เลยไม่ต้องไปพูดกันรับหลัง mm. พูดกันเลยว่าท่านทาอย่างนี้ไม่ถูกนะผิดหลักพระวินัยอย่างนั้นอย่างนี้พูดได้เลย mm. พ, พระพุทธเจ้าเองก็เปิดโอกาสให้กับพระทุกรูปที่ทรงศึกษาอยู่พระองค์ว่าถ้าพระองค์ประพฤติอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมก็สามารถที่จะพูดได้เลย วันออกพรรษานี้จะมีเขาเรียกวันปวารณาปวารณาก็เป็นการเปิดโอกาสเปิดตัวเองให้ผู้อื่นก็อยอมเป็นเป้าหนึ่งวันเป็นเป้านิ่งใครมีปืนชนิดไหนอยากจะทดลองยิงก็ยิงมาเลยแล้วผู้ฟังก็จะฟังด้วยเหตุด้วยผลถ้าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงเป็นประโยชน์ก็จะเอามารับเอามาแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลหรืเป็นสิ่งที่สามารถชี้แจงได้ก็จะชี้แจงไปก็เท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครอยู่เหนือธรรมนี่คือหลักของพระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่อยู่เหนือธรรมพระพุทธเจ้ายอมให้ผู้อื่นวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่ากล่าวตักเตือนได้ พระอาจารย์ครับมีข้อนึงครับมีข้อหนึ่งครับคือว่าคือว่าผมเห็นอพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งนะครับประมาณหกโมงเย็นสี่ห้าโมงเย็นนะครับเหมือนกับเขามาอยู่หน้าตลาดแล้วเขาก็มาชักชวนให้คนบวชนะครับอื <c oughs> อย่างนั้นก็เหมือนกับโครงการอะไนะครับมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ถูกไหมครับอาจารย์ไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําอย่างนั้นอย่างนี ครูบราอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นคือเราการสั่งสอนธรรมะนี่มันต้องมีกาละเทศะเท่นวันเนี้ยมาใครมาสนใจมาฟังทแล้วก็ชวนให้บวชเนี้ยที่เ ท, ท, ท, ท, ทวันนี้ก็ชวนให้บวชกันไม่ใช่เหรอใช่ไหมชวนทุกครั้งเลยอันนี้ยันไทอย่างนี้ไม่ไม่เป็นไรใช่ขอให้มันมีมีกาละเทศะมี มีอดูคนคนฟังด้วยไม่ใช่คนไม่รู้อ้หนุ่ยเนี่ยเขามาซื้อข้าวซื้อของก็มาชวนเข้าไปบ่วยกันเถิดอันนี้มันจะทําให้ศาสนาเสื่อมเข้าหาศาสนาบ้าใช่ไหมแต่ชวนใครก็ต้องดูว่าเขาสนใจหรือเปล่าัถ้าเขาสนใจก็ชวนเข้าว่าดีนะอย่างนั้นอย่างนี้นะเช่นเราขายของคนมาซื้อของงานเราใช่ไหมเราก็บอกอ๋ออันนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นบอกก็ได้ ไม่ใช่คนเดินไปผ่านไปผ่านมาก็ลาเขาเข้ามาในร้านเรเาเอาปริมาณเอาปริมาณาาต้องดูว่าเขาสนใจหรือเปล่าเหมือนเหมือนอย่างเช่น Facebook คือวันนี้ครับอาจารย์คือว่าลักษณะของการเฟ e b o o k หรือเว็บไซต์เนี่ยเขาเขาจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ต่างๆหรืออะไรต่างๆเพื่อให้คนเข้ามาสนใจเยอะที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าผมใช้หลักที่ว่า ถ้าวาระรมวาระกรรมเนี่ยมันตรงกันเดี๋ยวเขามาเองเราไม่ต้องไปโฆษณาให้คนอื่นเนี่ยอ่ามาสนใจเหมือนเป็นการสร้างมูลค่าเราไม่ต้องการปริมาณใช่เราต้องการใช้นี่เป็นสื่อเผยแผ่ธรรมะท่านนั้นเองเช่นวันนี้คนมา<ช>ที่นี่ได้กี่คนแต่คนที่ไม่ได้มานี่สามารถได้รับความรู้เท่าๆากับคนที่มาที่นี่เราต้องการเท่านั้นเองเราไม่ต้องการดูตัวเลขว่าวันนี้ใครชอบเท่าไหร่ ให้แกใช่ครับแรกแรก <c oughs> แรกแรกก็ดูเหมืนอนว่าชอบกี่คนระกี่คนละตอนหลังแล้วแต่เขาเหอะมันก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่า <c oughs> วาระมันถึงกันมันเขาก็มาเองเรารถือว่ า, วามั น, เ ป, นเป็นเป็นแหล่งเผยแผ่ธรรมะเท่านั้นเองเป็นสื่อเท่านั้นเองให้คนที่เขาไม่มีโอกาสที่ได้มาเหมือนกับได้มาก็าบอกเขบางคนนี่ก็ดีใจมากเขาบอกเดีย๋ยวนี้เขาสามารถติดตามเออ ถ้าไม่มีคนนี้เราก็ไม่สามารถเผยแผ่ได้เพราะไม่มีใครทําแล้วเราก็มคงจะไม่ไปขอร้องใครเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำแต่อยู่ดีๆคนก็มาเสนอตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าผมมาเป็นพวกที่แบบว่าวุ่นวายวุ่นวายครับอาจารย์แบบเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ผมว่าอาจารย์ให้ผมแม่อนุญาตเหมือนกันแต่ผมก็มาแนวไม่เอาอะไรเหมือนกันเอาแต่ทำไม้อย่างเดียวไม่ไม่สนใจอะไรเหมือนกัน ผมได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอย่าเรียกรายเป็นังขาดนะอย่าหาเงินผ่านทางซื้อเงินไม่สําคัญตอนนี้พออยู่พอกินแล้วไม่เดือดร้องอย่าไปใชาวบ้านเขาด่าวเลยใช่เพราะทุกวันนี้ก็อย่างตัวผมเนี่ยครับก็ถ้าเกิดว่าทุกวันเนี้ยก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วก็อยู่สบายแล้วครับจริงๆแต่ว่าดังนั้นเรื่องเงินอ่าเรื่องการจะมาแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยมันตัดทิ้งไม่ได้เลย เรามองเงินที่เป็นของภายนอกกไป <Ừ. S 1> เลยเราเอาความสุขจากการทํางานนี้ดีกว่าสุขมากาันเยอะเลยครับแต่ว่าอย่างครั้ที่แล้วก็ถามพระอาจารย์ว่าเราไปจับสุขได้ไหมพระอาจารย์บอกว่าได้ไม่เป็นไรงั้นก็สบายใจครับแต่ก่อนที่ผมจะพยายามสุขนี่มันกลัวจะกลายเป็นกิเลสไปเยอะไปก็กลายเป็นกิเลสสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมมันเป็นกิเลสได้อย่างไรครับใช่ไหม อ, อย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องไม่สุขเสร็จไม่ต้องไปนิพพาน ไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วก็เลยปล่อยเลยเต็มที่เลยก็ไดใจขอให้เราทําด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีไม่มีผลไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่เท่านั้นเอง<ช><ช>ทําเพื่อเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนารับใช้พระพุทธเจ้า ใ, <ช>ในฐานะที่เรายังเป็นคารว่า น, นักบวชอยู่ไอ้คารว่าอยู่แต่ถ้าเราเป็นนักบวชก็เราก็จะไม่ให้ทํา เพราะถ้าเป็นนักบวชก็อยากจะให้ไปปิกวิเวเงี้ยอย่างภาพบนเขานี่เราไม่ให้มายุ่งเลยใช่ไหมบอกท่านอย่าออกมาตอนที่มีคนมาให้ท่านไปภาวนากัเดี๋ยวจะออกมาหลังจากที่ญาติโยมกลับเปนกันไปหมดแล้วเพราะมันอยู่ต่างฐานะแล้วนักบวชนี่ต้องปิกวิเวต้องอยู่คนเดียวต้องไม่รับรู้เรื่องราวภายนอกแต่นักบุญนี่ยังต้องทําทําได้ทํา มีอะไรอยากจะแจกจะจ่ายอยากจะเสียสละก็ทำไปเลยทำตามฐานะอันนั้นไม่ได้ทำมากกว่าที่เราจะทำได้เราทำได้มากได้น้อยก็ทำไปผู้อื่นเขาอยากจะสนับสนุนก็ก็รับได้ถ้าคนเขาอยากจะช่วยบริจากเงินเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเพราะเขาห่วงว่าวันก่อนมันล่ม เาคิดว่าเป็นอะไรเราก็บอกอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้เว็บใช้ใช้เว็บราคาถูกหรือเปล่าห5 0้อยห้าสิบมันอาจจะรับรับขนบางไปได้อ๋ อ, อ, อจริงจริงจริงแค่สามร้อยครับแม่บอกว่าอีกสาอีกส5มอยห้าสิบนี้เป็นค่าโดเมนแต่ว่ า, าตอนนี้เพิ่มไป ล่าสุดลงทุนเพิ่มไปอีกร้อยหสบเจ็ดบาทครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ไม่มีร่มแล้วครับใช่ก็ไม่ก็ก็จำก็จำการ t r a f f i กไว้ใช่ไหมแบนด์วิดแบนด์วิดนะครับแต่พอดีว่าเราเราไม่มีความรู้ทางด้านการป้องกันสแปมแต่ตอนนี้ป้องกันสแปมเรียบร้อยแล้วก็เลยเพิ่มไปร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแล้วแบบ ใช้เงินคุ้มค่ามากครับเพื่อนผญาติโยมถ้อยากจะช่วยทางเผยแผ่ก็ไว้จากโดยตรงเขาไปเลยก็ได้ถ้าถ้าเกิดว่าฟังใครฟังอันนี้แล้วผมไม่ขอรับแล้วนะครับเพราะว่ามันเจอแล้วครับไม่รู้จะเอามาทําไมครับวันนี้ก็ได้ใหม่ค่าร้อยครับนี่ครับถ้ถ้าถ้าพอก็บอกเขาพอพอแล้วครับถ้าไม่พอก็รับไว้แต่อยากขอท่านนั้นเองอย่าอย่าเลรียนลายอย่าเอ่ยปากขอแต่ถ้ามีคนก็อยากจะร่วมด้วย อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระก็รับไปเถิดเดี๋ยวไม่เสียหายเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ครบปีก่อนเดี๋ยวจะบอกกันครับอใครอยากรู้ทันาจะต้องทำให้อกิดกาที่ในอดีที่เกิดในแบไทยพ่าเขาไม่มีสูบาจาร์เลยก็ไม่ได้คยกันเปนปีแล้วนะผมกว่าก็รอข้าไปอีกคนหล้สิทอีการมันต่อมาเข้าประารัอใเลย ใช่มีแต่คนเข้าพูดว่าดีทั้งนั้นคนทั่วโลกเลยเนี่ยมีฝรั่งที่รู้จักกับเรามาต้องนานเนี่ยเขาบอกเจอเราในนี่แต่คุณไม่ได้มาส่งข่าวบอกเราต้องเดินเองนะ คนณลืมเลยลืมครับใช่ครับที่เขาบอกว่าพอดีเมื่อวานนี้เราเข้าไปเข้าไปในเราเราล็อกอินเข้าไปพอดีครับเราก็เลยส่งข้อความไปให้เขาที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเรอาจารย์ไปไม่เขาจะมามาเมืองไทยปลายเดือนสิงหานี้่เขาเคยมาอยู่เมืองไทยตอนที่สร้างหลวงกันน้ํามันที่ไทยออยที่นานแล้วแหละครับสมัยที่เราเป็นเด็กๆอันนั้นอายุสิบสิบสิบสิบสองขวบสิบสามขวบเขาอายุประมาณแปดเก้าขวบ พ่อแม่ก็ามาพ่อแม่ก็ามามาสร้างโรงกันน้มันที่เนี่ยไทยออยที่ที่ที่ศรีราชาเนี่ยที่ที่อาุดมเนี่ยแล้วก็ติดต่อกันมาโดยตลอดแล้วระยะหลังนี้พอดีไม่ได้ติดต่อกันก็เลยไม่รู้ว่าอีเมลหายไปไหนอะไรเนี่ยเก็เไปเจอในเฟสบุ๊กเขา แล้วพอเขาบอกเขาจะมาเยี่ยมเพราะเขาสนิทกันน้องสาวเราก็อายุนุ่นดิบุ่นราวควเดียวกับน้องสาวตัวเล็กๆแต่นั้นอายุแค่ปดเก้าขวดเท่านั้นนี่ยเรก็เข้าไปเขีนถ้าเราเขีนข้อความในนั้นเขาจะได้รับหรือเปล่าได้ครับได้เขาเปิดของเขาเขาก็จะได้รับเสียงก็ได้รับเลยครับเราเข้าไปใส่สองที่เลยใส่ในที่นั้นแล้วก็ไปใส่ในในหน้าของเขาด้วยได้แน่นอนเหมือนกันใช่ไหมใส่ในหน้าเขาก็ได้ใช่ไหมได้ครับเอแต่ถ้าใส่ในหน้าเขาเนี่ย คน<ะ><ๆ>อื่นก็จะเห็นว่าอาจารย์เขียน อ, อะไรถ้าเกิดว่าถ้าเขาตั้งข้าวให้คนอื่นเห็นได้อ่าคนอื่นก็จะเห็นแต่ว่าถ้าอ่าแต่ว่าแล้วก็มันก็จะขึ้นโชว์ให้คนอื่นเห็นนะครับว่าพระอาจารย์ไปเขียนไว้ที่หน้าเขาอะไรแล้วเขามาเข้าในหน้าเราได้ยังไงเขาเขาต้องสมัครเป็นเพื่อนแล้วก็สมัครครับแค่ส่งข้อความมาได้เพราะว่าตั้งข้าวไว้ใครส่งข้อความมาก็ได้ครับแล้วคนไปต้องแล้วคนก็ตอบเขาได้ได้ครับด้านกัน แล้วถ้าเราส่งไปเนี่ถ้าเขาไม่เปิดเครื่องเขาเขาถ้าเขาไม่เปิดแลงวเขาเขาถ้าเขาไม่เข้าไปใน Facebook เขาก็ไม่รู้ใไมังไม่รู้ครับนอกจากว่าตอนเนี้ยมันแต่ส่วนใหญ่สมัยนี้คนเขาจะเข้าทุกวันเข้าแล้วก็จะออนไปที่โทรศัพท์อยู่แล้วครับส่วนใหญ่จะได้ครับเขาจะรู้ทันทีถ้ามีข้อความครับเขาจะขึ้นมาเป็นตัวกลมๆสีแดงครับว่ามีข้อความหรืออะไรมาเขาก็จะเปิดดูตามได้แล้วเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กเขามีบริการ แจ้งทางโทรศัพท์เป็นข้อความไม่เสียตังค์แล้วแจ้งมาเองวัน้ก็เป็นๆึ้นมาเลยใช่ครับเราไม่ได้เล่นพวกนี้มานานแล้วเพราะเราไม่มีเวลาพอมาลองเข้าไปดูก็เลยงงๆนิดหน่อยจะทำยังไงจะตอบก็ยังไงข้อความหลังไม่เยอะแล้วประจาไปไม่นอดเลยตอบกัน เนี่นก็ดีไปอ่านข้อความเรื่องไนี่เครื่องขยายเสียงอย่นี้ก็ <c oughs> เลยรู้ว่าจะมาวันนี้ <c oughs> ก็เพิ่งเข้าไปข้างแรกนะไม่ได้เข้าไปเลยเพราะก็แปลกหรือว่ามันมีอะไรไม่รู้บอกให้เข้าไปเนี่ยมันถึงจะรู้เรื่องเนี้ยเรื่องของคนนี้เห็นเด่นนีน่ถ้าไม่ไม่ได้เข้าไปก็อาจจะไม่รู้เนี่ย่าเขาจะมาก็ใช่แล้วสงสัยอยู่ที่เรื่องให้ถังตัวเองแล้วก็ ถ้าเราภาวนาพุกโธไปก็จะก็เหมือนกับเรากดกิเลสเราไว้แล้วถ้าถ้าเราไม่ภาวนาไปเนี่ยค่ะเราต้องนั่งไปเฉยๆนั่งเฉยๆแต่มันจะทรมานมากไงเพราะจิตมันจะคิดมากอฟุ้งมากแต่ถ้าเราพุทโธมันก็จะช่วยเหมือนกับเรากินยาแก้ปวดถ้าเรามีมีไข้ถ้าเราไม่กินปล่อยให้ไข้มันแสดงฤทธิ์ของมันมันก็จะปวดมากแต่ถ้าเรากินยาแก้ปวดมันก็ช่วยลดความปวดลงแต่มันก็เพียงแต่ ลดเท่านั้นเองมันไม่ได้แก้แบบถาวรจะ แ, แก้แบบถาวรก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยความอยากของเราเนี่ยทาให้เราอยู่อยู่ไม่เป็นสุขทนั้นเราหย่าอยากดีกว่าพอเราเห็นความจริงนี่เราหยุดความอยากได้ปั๊บมันก็นั่งเฉยๆได้อย่างสบายถูกันเราก็หลอกขอให้มันฟุ้งไปฟุ้งแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าไปสกัดมันดูเห็นไหมเนี่ยฟุ้งเพราะอะไรฟุ้งเพราะความอยากหเห็นไหม เราอย่าไปอยากสิเราอยากได้อะไรเปลี่ยนใจแล้วอยากอยากจะลุกก็อย่าไปอยากลุกทั้งนั้นเองก็นั่งต่อไปถ้าเปลี่ยนใจได้ว่าไม่ลุกก็ได้ว่านั่งต่อไปก็ได้มันก็จะหายฟุ้งทันทีที่มันฟุง้งเพามันอยากจะลุ ก, กอ่าคื อ, <ก> ค, อคือขอไม่ไม่ขอทําตามความอยากเช่นตอนนี้อยากจะลุกเจะไม่ลุกจะนั่งมันอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันสงบตัวเมื่อไหร่แล้วถึงค่อยลุก เราเคยเรานั่งอยู่นี่มันอยากจะไปตรงนู้นไม่ไปมึงจะไปมึงไปเองกูไม่ไปคุยกับมันสู้มันเดี๋ยวดาที่สุดมันก็ยอมแพ้มันก็หยุดอยากไปเองมันก็สงบหายฟุ้งเลยไม่ต้องทําอะไรอันนี้คือการสู้ความอยากแบบให้รู้กันเลยว่ามึงคือศัตรูทําตามทําทําตามความอยากไม่ได้เลยเด็ดขาด แต่ถ้าเราใช้พุทโธพุทโธความอยากมันก็จะลืมไปสักพักหนึ่งพอเราไปอยู่กับพุทโธมันก็หายพุ่งได้แต่พอเราหยุดพุทโธเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมาใหม่อยากขึ้นมาใหม่ฉันสู้ให้มันให้มันอยากของมันจะต้งสุดฤทธิ์บดแรงแล้วมันหยุดหายหายอยากไปเองเลยพอมันหายแล้วมันก็สบายไม่ต้องเอาเชียรถูกตัวไม่ต้องแอบใช่เออนแต่จะสู้กับมันได้หรือเปล่าท่านหนึ่งจะสู้กับความพุ่งกับความเครียดได้หรือเปล่า มันทรมานใจมากไหมถ้าจะเป็นบ้าอะไรเงี้ยมันปั่นป่วดมากในใจก็ใช้เหตุผลอะมึงอยากจะไปก็ไปแต่กูไม่ไปกูเองนะฮะคือใจเราเป็นสองคนไงคนหนึ่งอยากจะไปคนหนึ่งอยากจะอยู่คนอยากจะไปก็ไปแต่ยไม่ห้ามคุณอยากจะไปก็ไปแต่เราไม่ไปกับคุณ มันก็ต่างคนต่างคิดกันไงคิดฝ่ายหนึ่งอยากจะไปฝ่ายหนึ่งอยากจะอยู่ฝ่ายไหนมีแรงมากกว่าฝ่ายที่อยากจะอยู่มีแรงมากกว่าฝ่ายที่อยากจะไปมันก็หมดแรงไปงถ้าฝ่ายที่จะไป ม, มีแรงมากกว่าฝ่ายอยู่สู้ไม่ไหวก็ต้องไปอะครับก็ลองทําดูเลยลอง ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกําหนดชั่วโมงก็ได้กําหนดตรงแค่เนี้ยตรงที่ว่านั่งอยู่ไปเรื่อยๆจนการมันจะไม่อยากจะรูปไวไวให้มันอยากจนกระทั่งมันหายหายอยากหายหายเครียดไปตัวแข็งมันก็หลับจะได้ <laughs> หลับก็ไม่ได้ <laughs> หลับนั่นก็เป็นทางทางเลี่ยง <laughs> ถ้า <laughs> เอาเด็กบางคนเราทำมาไม่เข้อย่างนั้นนะ เขาอยากจะทำนู่นทานี่หระไม่ทำามทำให้ก็มันร้องไปร้องอย่างที่มันเหนื่อยมันก็หลับไปอไม่ได้ทำตามใจเหมือนพ่่เคนบาคนาคนมากลยคนอยู่บ้านก็ถือไม้ที้งเด็กวนวงหวเนี่ยอยู่บ้านไม่ทาอะไรเลยกแต่นอนก็ถือไม้ขุทิงไว้ไม่กล้าทมันนอนทิ้งไออกออนออกวันทองวันไเลยสุด ความอยากนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นปัญหาโลกแตกอยู่ในทุกวันนี้โลกวุ่นวายกันก็เพราะความอยากนี่ฆ่ากันก็เพราะความอยากทะเลาะกันก็เพราะความอยากอาแล้วนะพอสมควรแล้วนะ 呀悠呀呀，呀悠呀呀，呀悠呀呀，呀悠呀呀，刚搬家那几天呀悠呀呀，回家没家具啊。